ในโลกนี้มีคำสั่งคำสอนมีศาสนามีลัทธิต่างๆมากมายที่จะสอนให้ดับความทุกข์กันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนอันใด ศาสนาใดลัทธิใดสอนให้ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะวัดด้วยอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้วัดที่คำสอนของศาสนานั้นหรือบุคคล น, นั้นที่มรรคที่มีองค์แปดคำสอนใด ถ้าไม่มีมรรคเป็นองแปดอยู่ในคำสอนนั้นไม่ถือว่าเป็นคำสอนที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงคำสอนใดศาสนาใดที่สอนมรรคมีองแ์ดคำสอนนั้นศาสนานั้นเป็นคำสอนที่ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี่คือเครื่องวัด สำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องพิจารณาว่ามีมัพที่เป็นองแปดนี้อยู่หรือไม่ถ้าไม่มีหรือมีไม่ครบก็อย่าไปสนใจดับความทุกข์ไม่ได้อย่างแท้จริงจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ จำเป็นจะต้องมีมรรคแปดเป็นทางเดินมรรคแปลว่าแปมรรคแปลว่าทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แปดก็คือแปดส่วนแปดองค์ประกอบมีดังต่อไปนี้คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสอง สัมมาสังกโปโความคิดความดํำริที่ถูกต้องสสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องหสัมมาอาชีวโออาชีพเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง หสัมมาวายาโมความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้อง 7. สัมมาสติความรอกรู้ที่ถูกต้องและ8สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือองค์ประกอบของมรรค ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกข์นั่นเองแต่การไม่เกิดเป็นการดับความทุกข์ทั้งปวงทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันดังนั้นการดับทุกข์ก็คือการดับความเกิดนี่เองเราจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือมีอยู่ 2ระดับระดับแรกคือระดับของผู้ที่ยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิด มีจริงกรรมมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปอันนี้เป็นสัมาทิติเบื้องต้นสัมบาทิติเบื้องสูงหรือเบือเบ้องปลายก็คือการเห็นใยรักในสภาวะธรรมทั้งปวง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราและเห็นอริยสัจสเห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆการจะดับความทุกข์ ดับการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องดับด้วยมรคมรค ก, ก็คือมรคที่มีองค์แปดนี้เองคือต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเหล่านี้เมื่อเราเห็นเหล่านี้แล้วเราก็จะได้มีสัมมาสังกัโปคือความคิดความดำริที่ถูกต้องถ้าเรายัง ไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ปฏิบัติขั้นต่ำไปก่อนคือขั้นนักบุญก็คือทาบุญเะทำบุญละบาปเพื่อที่จะทำให้เราเวลาเราไปเกิดใหม่ เราจะได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายการทําบุญการละบาปนี้จะทําให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปตกนรกตายไปแล้วได้ไปเป็นเทกแล้วกลับมาก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ มีวาสนามีบุญมีบารมีกดกลับมาเกิดก็จะมีพบชาติที่ดีกว่าปัจจุบันนี้อันนี้เป็นความดำริของผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องในในระดับต้นเห็นว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ บาปเป็นเหตุให้ไปนรกก็จะทำบุญจะไม่ทำบาปก็จะทำให้มีสัมมากัมมันโตคือการกระทำที่ถูกต้องก็คือจะไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นต้ น, นอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันโต มีความมีการกระทาที่ถูกต้องสามมาวาจาคือการพูดจาที่ถูกต้องก็คืออยพูดความจริงไม่พูดปดอยพูดคำสุภาพไม่พูดคำหยาบจะพูดในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์จะไม่พูดเพอเอ้อเจ้ออยพูด ให้เกิดความรักความสามัคคีกันจะไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีอันนี้ก็จะเป็นสัมมาวาจาของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเห็นบุญเห็นบาปเห็นเชื่อว่ามีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์เป็นต้น แล้วก็จะมีสัมมาอาชีว์วิชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนั่นเองเช่นไม่ทําอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเอาไปฆ่าเอาไปขายอย่างนี้ไม่ขายสัตราวุะสารพิษต่างๆที่จะทําให้ เกิดการเสียชีวิตของผู้เหินไม่ค้าสุรายาเมายาเสพติดต่างๆอันนี้เป็นมิจฉ า, าชีพถึงแม้อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นอาชีพที่ถูกต้องอันนี้คือสัมมาอาชีวของ ผู้ที่มีความเห็นว่าตายแล้วยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วจะต้องกลับตายแล้วจะต้องไปรับผลกรรมต่อไปก็จะมีสัมมาอาชีโวในลักษณะนี้แล้วก็สัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบก็คือจะเพยียนทําบุญที่ยังไม่ได้ทํา ให้มีขึ้นมาบุญที่ได้ทำแล้วก็จะเพียรรักษาให้คงมีอยู่ต่อไปเพียรละบาปที่ยังไม่ได้ละแล้วเพียรป้องกันบาปที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับคืนมาอีกอันนี้เรียกว่าความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องสามมาสติก็คือให้จิตมี ตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ในอารมณ์เดียวให้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกว่ามีสัมมาสติ เพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะมาหยุดความคิดปรงแต่งดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้สัมมาสมาธิคือการรวมของจิตให้เป็นหนึ่งสัจตะวรโรเป็นอุเบกขานี่คือมรรคของผู้ที่มีสัมมาทิษฐิในเบื้องต้น คือสัมมาทิฏฐิของนักบุญส่วนสัมมาทิฏฐิของนักบวชของผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็จะเห็นว่าสัพพาวะธรรมทั้งปวงเช่นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสระเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องมีสุขมีทุก์จากการเกิดและการดับของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดติดไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขต้องสละลาบยึดสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละการยึดติดร่างกายเพราะว่าร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายไปเป็นธรรมดาเวทถ้ายึดติดกับร่างกายใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะมีความสุขก็ต้องไม่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือกนในการหาความสุขให้หาความสุขจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาทําใจให้สงบจเจริญปัญญาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นต้น อันนี้เรียกว่าเป็นสมาทิตฐิของผู้ที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสัมมาทิตฐิแบบนี้ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้มาแล้วก็จะต้องจากกันไปในวันหนึ่งเมื่อมีความเห็นอย่างนี้ก็จะคิดปล่อยวางนั่นเองเรียกว่าสัมมาสังกัปโปไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่คิดจะยึดจะติดกับอะไรคิดอยู่เสมอตลอดเวลาว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็ว เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันหมดกันสิ้นกันก็จะคิดอย่างนี้คิดเพื่อปล่อยวางไม่ได้คิดเพื่อยึดติดคิดเพื่อปล่อยวางก็คิดด้วยการไม่มีความอยากนั่นเอง ไม่อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากหาราบยศสรรเสริญไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะความอยากเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปโปความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมนโตของผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องรักษาศีลคือเพิ่มเป็นศีลแปด สมมารกรมมันโตก็จะต้องเพิ่มอีกขึ้นมาข้อที่สามก็เปลี่ยนเป็นอัปป ร, รมัจจิยาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก ไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนที่นอนอันสบายนอนบนพื้นธรรมดาบนพื้นแข็งๆโอด้วยผ้าก็พอนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนเพื่อความความสุขทางตันหาความอยากอันนี้ก็จะเป็นสัมมารกรรมมันโตของผู้ที่เป็นนักบวช ของผู้ที่ต้องการที่จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเวียนว่ายตายเกิดสัมมาวาจาก็เหมือนกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดส่วนสัมมาชีวะของนักบวชก็คือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุที่บวชใหม่ ให้บินทบาทเลี้ยงชีพไปจนวันตายเพราะองค์เองก็ทรงบำเพ็ญเช่นเดียวกันทรงบำเพ็ญการบินทบาทโปรดสับไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่ามีอาชีพที่ถูกต้องสามมาอาชิโวสามมาวายามโของผู้ที่ปรารถนาะการหลุดพ้นก็คือการบำเพ็ญ จิตตะภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เดินจงกรมเพื่อเจริญสติเจริญปัญญานั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาอันนี้เรียกว่าสัมมาวายาโมของของนักบวชสัมมาสติก็เช่นเดียวกันให เรลืกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับกระแสความคิดต่างๆเพราะเวลาคิดแล้วใจจะไม่สงบใจจะเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคําบาลีกรรมพุทโธหรืออยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย ไม่ส่งให้ใจไปที่อื่นใจก็จะสบายใจเย็นจะมะีความสุขและเวลานั่งสมาธิก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้สักจะว่ารู้ได้เป็นอุเบกขาได้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความสงบของใจใช้ความสุขอันนี้เป็นที่รอเลี้ยงจิตใจ เป็นฐานสำหรับการที่จะตัดความผูกพันตัดความสุขต่างๆทางร่างกายไปให้หมดตัดความสุขทางราบยศสรรเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญ ไม่ต้องใช้ลูกเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ถ้ามีสัมมาสมาธิถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาจิตจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลูกเสียงกลิ่นรสผลภิภัพยิ่งใหญ่กว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อันนี้คือสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางการหาความสุขในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถพภาในร่างกายได้เพราะยังไม่มีความสุขนั่นเอง แต่ถ้ามีความสุขในใจแล้วก็ไม่ต้องหาความสุขนอกใจนี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์แปดสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองสมา ธ, ธิิสมาสังกปโปนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของปัญญาสมากัมมันโตสมาวาจา สัมมาอาชิโรนี้เป็นองค์ประกอบของศีลแล้วก็สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นองค์ประกอบของสมาธิเราจึงมีศีลสมาธิปัญญาถ้าเราได้ยินศีลสมาธิปัญญานี้ก็ขอให้เรารู้ว่านี่คือมรรคที่มีองค์แปดหรือถ้าเราได้ยินทานศีลภาวนา อันนี้ก็เป็นมรรคที่มีองค์แปดเหมือนกันเพียงแต่เพิ่มทานขึ้นมาอีกข้อหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังมีเงินทองอยู่ก็สอนให้เอาเงินทองมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจใช้ให้มาดับความทุกข์ไม่ได้ใช้เอามาใช้เพื่อสร้างความทุกข์การใช้เงินทองเพื่อสร้างความสุขก็คือใช้ไปตามความอยากต่างๆ อยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากได้ความสุขแบบไหนก็เอาเงินทองไปซื้อมาแบบนี้เรียกว่าเป็นการซื้อความทุกข์เพราะว่าเป็นการสร้างความอยากแล้วเวลาที่มีความอยากแล้วไม่สามารถซื้อได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นไม่ควรที่จะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆให้ใช้เงินทองสําหรับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขถ้ามีเงินเหลือจากการที่เอามาใช้เลี้ยงร่างกายก็เอาไปทําบุญดีกว่าเพราะถ้าตายไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้มีทรัพย์ รออยู่ในพระในภพหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่เกิดมาเกิดไม่กลับมาเกิดยากจนมาเกิดร่ำรวยสุขสบายเพื่อที่จะได้ทําบุญต่อเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคําสอนต่อเพื่อจะได้ปฏิบัติพระธรรมคําสอนต่อไปถ้าไม่มีเงินทองก็อาจจะต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง แล้วก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปต่างๆก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆกันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเจริญมรรคแปดได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ากลับมาแล้วร่ำรวยก็สบายก็จะมีเวลาที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมได้ ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพราะมีเงินรออยู่แล้วมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นอันนี้คือทานที่มีอยู่ในมรรคแปดด้วยทานศีลภาวนาศีลก็คือเนี่ยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโว ส่วนภาวานานี้ก็เป็นสอ ง, ส, องส่วนสมถภาวานาและวิปัสสนาภาวานาสมถภาวานาก็คือการทําใจให้เป็นสมาธินี้เองก็มีแล้ววิปัสสนาภาวานาก็คือการทําใจให้ฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริงสภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงของเขา อันนี้ก็คือปัญญาดังั้นทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญานี้เองสำหรับผู้ที่ยังมีเงินทองอยังที่จะเอาเงินทองไปใช้ซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อความสุขตามความอยากต่างๆให้เห็นว่าเป็นการซื้อยาเสพติดไม่ได้เป็นการซื้อความสุขที่แท้จริงการเสพยาเสพติดนี้ เป็นทุกข์เพราะเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่มีเสพหรือร่างกายไม่สามารถที่จะเสพได้เนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขให้เอาเงินทองนี้ไปทำทานแทนไปทาบุญการทำบุญทำทานเหมือนเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารเวลากลับมาชาติหน้าก็จะมาเบิก เอาเงินทองที่เราฝากธนาคารนี้ไว้ได้เอาไปใช้ได้ถ้าไม่ได้ฝากไว้ตายไปเงินทองที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีเงินทองให้เราไปเบิกได้เราก็จะเกิดมายากจนนี่คือทานสำหรับผู้ที่ยังมีเงินมีทอง ที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ส่งสอนให้ใช้เงินใช้ทองให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ให้ใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดโทษกับจิตใจการใช้เงินใช้ทองตามความอยากต่างๆนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างโทษให้กับใจเพราะใจจะต้องทุกขเวลาที่ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้ เกณเวลาเงินทองหมดอยากจะซื้ อ, อยาเสพติดมาเสพก็ไม่มีเงินทองจะซื้ออันนี้ก็จะทุกข์แล้วหรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะเสพก็เสพไม่ได้นี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์แปดในพระพุทธศาสนานี้ท่านแสดงไว้สาลักษณะด้วยกันเนก็คือ ก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมาทิิสัมมาสังกปสัมมาวาสัมมากรรมโตสัมมาวจจาสัมมาวายโมสมาอชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือทางสู่การดับความทุกข์อย่างแท้จริง คำสอนของผู้ใดคำสอนของศาสนาใดไม่มีมรรคที่เป็นองค์แปดอยู่ในคำสอนนั้นจะถือว่าว่าเป็นคำสอนที่ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ไม่สามารถดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีครบทั้งแปดองค์ในสมัยนี้เราคงจะได้ ไปได้ยินได้ฟังคำสอนของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ที่สอนว่าสมาสมาธินี้ไม่ต้องมีก็ได้ให้มีปัญญาแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองถ้าสมาถ้าปัญญามันเกิดขึ้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนให้เจริญสมาไม่ให้ต้องเจริญสติกัน เพราะเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิไม่ใช่ปัญญาเหตุที่จะทาให้เกิดเกิดสมาธิก็คือสติสติต้องดึงใจให้ออกจากเหตุการณ์ต่างๆออกจากความคิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้จิตถึงจะสงบได้การคิดปรุงแต่งนี้มันไม่ได้ทำให้จิตสงบ แต่จะนำไปสู่ความพุ่งซ่านเสียมากกว่านอกจากคิดไปในทางปัญญาแล้วก็จะทำให้จิตสงบได้จิตรวมได้อันนี้ก็เป็นไปเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ปัญญาอบรมสมาธินี้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีของผู้ที่มีความสามารถที่จะเห็นตายรัก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสุภาษะเห็นหาเลยปฏิกูลสัญญาถ้ามีปัญญาเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ทำให้ใจสงบได้ที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายการเจริญสตินี้มันง่ายกว่าเพราะไม่ต้องอรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา รู้เรื่องอสุภะรู้เรื่องอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเพียงแต่ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจวอกแวกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้พูดที่ว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิถ้าใช้ได้มันต้องรวมได้มันต้องสงบได้แล้วถ้าใช้มาแล้วยังไม่รวมไม่สงบ และรวมรูร้รสงบเป็นเพียงครั้งเป็นคราวยังไม่สามารถทำให้มันรวมได้ทุกครั้งอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิก็ต้องมีสมาธิ ต, าธตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ก็ต้องรมัสระวังเวลาที่เขาสอนว่า ไม่ต้องทำสมาธิกันไม่ต้องนั่งหลับตากันแล้วพระพุทธเจ้าสอนทำไมทำไมพระพุทธเจ้าสอนอนาปนาสติอนาปนาสติก็คือการเจริญสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะได้จิตให้รวมเข้าสู่สมาธินั่นเองในสติปัฏฐาน 4, สี่ก็ทรงไวทรงแสดงในบทเริ่มต้นของการ จเจริญสติเลยว่าให้จเจริญอาณาปณะสติให้ไปหาสถานที่สงบเช่นโคนไม้ให้นั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็มีสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้ามีสติที่มีกําลังมาก เวลานั่งดูลมหายใจเขาออจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิทุกครั้งอันนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาให้มาคิดให้ยุ่งยากลำบากและปัญญาที่จะใช้ให้จิตรวมเข้าเป็นสมาธิได้นั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่ใช้เวลาที่เกิดความทุกข์ความทรมานทางจิตใจถ้าจิตใจเป็นปกติก็ไม่สามารถใช้ปัญญา ดึงใจให้เข้าสู่อัปนาสมาที่ให้เข้าสู่ความสงบได้เราใช้ได้ต่อเมื่อมีทุกขเวทนาเวลาเกิดทุกขเวทนาแล้วจิตมีความระสำมรสายมีความไม่สงบไม่สามารถที่จะเกาะติดอยู่กับคําบริกรรมได้อย่างนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาเพื่อให้ปล่อยวางเวทนา พิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากตัรหาความอยากอยากให้เวทนานี้ดับไปหายไปก็เลยเกิดความรับสำ้ำรลสายเกิดความวุ่นวายภายในใจขึ้นมาพอพิจารณาเห็นว่าอนิจจ์ทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปทําให้มันหายไปได้ และที่ทำให้ใจเราสั่มวรสายวุ่นวายก็คือตันหาความอยากให้เวทนานี้หายไปก็ปล่อยวางความอยากนี้อยู่กับเวทนาไปเวทนาจะหายหรือไม่หายก็ไม่สำคัญอาจจะไม่มีความอยากให้มันหายพอจิตพิจารณาละตันหาความอยากได้จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิต้องมีทุกขถึงจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ถ้าไม่มีทุกขไม่มีเหตุการใช้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาไม่มีเหตุการก็ต้องใช้สติใช้สติเช่นนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกจเจริญานาปนาสตินั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าก mm. ah. ็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปให้สักแต่ว่ารู้ไปไม่มีลมก็ให้รู้กับความว่างไปรู้กับความไม่มีลมไปขอทับประคองใจให้อยู่กับความว่างไปไม่ให้ไปคิดปรุงแต่ง อันนี้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้ตามลำดับต่อไปนี่คือความสำคัญของสมาธิถ้าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์แปดเหมือนกับศีลท่านก็แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์แปดปัญญาท่านก็แสดงไว้ในมรรคที่มีองค์แปด มีความสาคัญเท่าๆกันถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องมีชิ้นส่วนครบรถยนต์ถึงจะวิ่งได้ไม่ใช่มีเครื่องยนต์แต่ไม่มีล้ออย่างนี้รถก็วิ่งไม่ได้มีเครื่องยนต์แต่ไม่มีล้อรถจะวิ่งไปได้อย่างไรหรือมีล้อแต่ไม่มีเครื่องยนต์ก็ต้องเข็นกันไปต้องดันกันไปต้องลากกันไปมันจะวิ่งไปกับของมันเองไม่ได้ดังนั้น ถ้าเราไม่ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเราอาจจะถูกหลอกได้โดยไม่รู้สึกตัวและมันถูกกิเลส ข, ของเราเพราะเราชอบทำอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันยากนี่เราจะไม่อยากจะทำัน้เราก็เลยไปไม่ถึงไหนเสียทีปฏิบัติมากันกี่ปีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เพราะเข้าถึงตัวสมาธินี้ไม่ได้สักที เพราะไม่มีความมุ่มงมั่นที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองเหตุที่จะทาให้สมาธิเกิดขึ้นได้นี้ก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วก็จ ะ, จะเจริญสมาธิไม่ได้ใจก็จะคิดปรุงแต่งคิดไปอดีตไปอนาคตไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ใจก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบได้ไม่เป็นอัปปนาไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นสักแต่ว่ารู้ได้เพราะจะมีความคิดคอยดึงให้ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างตลอดเวลาการที่จะทําใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขที่จะได้ปล่อยวางความสุขทาง ภายนอกไปก็ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีความสุขภายในจะไม่สามารถที่ปล่อยความสุขภายนอกได้ก็ยังจะติดอยู่กับความสุขทางร่างกายก็ต้องพวักพวนดูแลร่างกายกลัวร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปไหนกันมามัวอยู่ คอยกังวลกับการดูแลรักษาร่างกายกันไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะเอาร่างกายไปใช้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเป็นเหตุผลของการดูแลรักษาร่างกายเพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางร่างกายนี้เอง ไม่ได้ให้รักษาร่างกายเมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะเป็นอะไรผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่รักษาจะหมายความว่าจะดูแลแต่ถ้าดูแลแล้วมันไม่อยู่มันจะไปก็ให้มันไปแต่จะไม่เอามาเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจถ้าจะดูแลก็ต้องดูแลแบบปล่อยวาง รักษาแบบปล่อยวางหายก็หายไม่หายก็ไม่ไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่ามันต้องตายไม่ช้าก็เร็วเมื่อมันจะตายวันนี้จะไปหวงไว้เพื่ออ้างว่าจะเอาไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็กลายเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเป็นธรรมก็มันจะตายวันนี้ก็ให้มันตายไปพ อ, อให้มันตายนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ได้ปล่อยวางร่างกายแล้วได้ตัดร่างกายไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าไปอ้างว่าต้องดูแลรักษาเลี้ยงมันให้อยู่ต่อไปเพื่อเอามาปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็กลับกลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยไม่ยอมปล่อยร่างกายเกิดหลายอ้างเอาการปฏิบัติธรรมมาอ้างว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อให้ปล่อยร่างกายนี้เอง เมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปไม่ใช่ดึงมันไว้เพื่อจะเอามาเอามามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรกป็ปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางร่างกายนี้เองละสกายาทิฏฐิอันนี้เป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่มันจะหลอกเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทำให้เราต้องมาพะวักพาวนมากังวลกับเรื่องของร่างกาย มากเกินกว่าเหตุควรจะดูแลมันตามปกติให้มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วส่วนมันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ใช้ปัญญาปล่อยวางมันเสียว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ช้าก็เร็วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ เราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะตายเมื่อไหร่มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็คือพร้อมให้มันเกิดขึ้นพร้อมที่จะปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปไม่ฉะนนั้นเราก็จะทุกข์กับมันเราจะยึดจะติดกับมันเราก็จะอ้างว่าเราจะรักษามันไว้เพื่อเอามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาปล่อยร่างกายนี้เอง ในเมื่อถึงเวลาจะต้องปล่อยแล้วถ้าไม่ปล่อยก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าถึงเวลาจะต้องปล่อยก็ปล่อยมันไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้รู้ได้บรรลุธรรมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่อยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นปัญญาหรือเป็นสังขารอบรมสมาธิกันแน่ ถ้าเป็นสังขารมันจะไม่มีวันสงบมันไม่ไม่มีวันที่จะรวมได้ถ้ามันเป็นปัญญาเท่านั้นมันถึงจะรวมได้ปัญญาก็คือต้ก็ต้องปล่อยนั่นเองปล่อยวางร่างกายถึงเวลาร่างกายจะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นท่านก็เคยมีปัญหากับสุขภาพร่างกายของท่านท่านเจ็บท้องเป็นลอกเจ็บท้องก็หาอยู่หายากิน กินเท่าไหร่ก็ไ ม, ไม่ไม่หายสักทีในที่สุดท่านก็บอกว่าหยุดกินดีกว่าลองมานั่งสมาธิใช้ปัญญาอบรมสมาธิดีกว่าท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาแยกธาตุขันแยกร่างกายออกจากจิตออกจากใจแยกเวทนาออกจากร่างกายออกจากใจพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมที่มี การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่มีเป็นของใครไม่มีใครไปสั่งไปห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับได้ร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขัองอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขัองอนัตตาจิตก็เป็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปร่างกายเป็นดินน้ำลมฝอยก็ปล่อยให้มันเป็นดินน้ำลมฝอไปเวทนามันก็เป็นอนิจจัง อนัตตาก็ปล่อยให้มันเป็นอ น, นิจจังไปให้มันเป็นอนัตตาไปพอพิจารณาโดยรอบแล้วปล่อยวางได้ปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้ให้สักแต่วรู้ได้จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบพอออกจากความสงบมาอาการนาพา ท, ทางร่างกายก็หายไปนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำกันมา ใจก็ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายต่อไปไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือเรื่องของการมีสมาธิการทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ทําได้สองลักษณะทําด้วยการเจริญสติเช่นอานาปณะสติที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญให้นั่งอยู่โคนไม้ แล้วมีสติดูลมหายใจเข้าออกเวลาออกจากการนั่งสมาธิก็ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้ว ถ้ามีสติดูอย่างต่อเ น, นื่องไม่ลอยไปที่อื่นจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ก็จะได้รับพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความอยากในความสุขต่างๆทั้งหลายได้เพราะว่าไม่ต้องอาศัยความสุขจากลาบนุสสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากร่างกายอีกต่อไปเพราะจิตมีความสุข ที่ได้จากการทําใจให้รวงเป็นหนึ่งเป็นสมาธินี่เองก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนให้ละตันหาความอยากต่างๆได้ละกามาตันหาละภาวะตันหาละวิภาวะตันหาได้เมื่อละตันหาทั้งสามได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปในใจของผู้ที่ไม่มีตันหาความอยากแล้ว นี่คือการดับความทุกข์ด้วยมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติและได้นํามาเผยแผ่สั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ใช้มรรคแปดนี้บำเพ็ญมรรคแปดนี้ปฏิบัติมรรคแปดนี้จนท่านได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็เอามรรคแปดนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาต่อไปผู้ใดถ้าสามารถปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติมรรคแปดได้ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือไม่ปฏิบัติมรรคแปดได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงอย่าลังเลสงสัยขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างมรรคแปดนี้ให้ครบบริบูรณ์เถิดแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนอยากทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุป ก, ะกะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศีลิตสะนิจจวุธาปจายโนจตารโธรมาวทานติ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 อยากจะถามอะไรก็ช่วงถามได้ตอนนี้เลยเพราะเลิกแล้วก็อยากจะเลิกอยากจะหยุดเหมือนกันงันถ้าใครอยากจะถามจะอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีก็จะให้คําถามทางบ้านคําถามจากทางบ้านจากคุณต้อยหนูขอโอกาสหลวงพ่อเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วขอกราบหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ เมื่อวานหนูไปซื้อผักปลอสารพีให้คุณแม่ก่อนหยิบใส่รถเข็นเกือนเลือกแล้วเลือกอีกยิ่งมีโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งก็ยิ่งเมามันใหญ่ขนาดกาลังเลือกเบลเปเปอร์สีเหลืองและเปรียบเทียบสีขนาดจํานวนในแต่ละแพ็คใจก็คิดตาสินว่าเอาสองลูกในถุงเดียวกันดีกว่าถุงเดียวที่มีลูกใหญ่ลูกเดียวแล้วก็ค้นหาถุงที่มีสองลูกมาเลือกขนาดโตที่สุด และสีที่ไม่ช้าพอเจอแล้วดีใจใหญ่มองของในมือแล้วใจบอกว่านี่มันโลภแล้วแต่ก็หลงเพลิดเพลินไปกับความสุขความพอใจเสียแล้วทั้งที่กำลังอยู่ในสภาวะทุกขังเพราะเรากำลังดิ้นโลนหาสิ่งต่างๆมาปรนเปร์ขันห้าสัญญามันก็ผุดขึ้นมาว่าพาลาหาเวปัญจขันทาแล้วสังขารมันก็คิดหาเหตุผลมาโต ว่าทำหน้าที่ทำให้แม่ทำให้ดีที่สุดลูกคนอื่นเขาทำหน้าที่นี้ให้แม่ไม่ได้แท้ที่จริงแล้วนิสัยการเลือกเฟ้นอาหารอย่างพิถีพิถันจนกว่าจะพอใจในรูปมันเกิดขึ้นสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายเป็นกิเลส ท, ที่โตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อะไรก็ได้เหมือนตอนเป็นเด็กประถมต้นๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นนี้จิตมันเลาะยอมรับว่าทุกข์ แต่ก็จะพอใจหรือไม่ก็วางเฉยกำจัดทุก์ไม่ได้เพราะคําว่าหน้าที่และดีที่สุดแล้วบางครั้งจิตมันผุดคําขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจคิดจึงไม่พยายามหยุดมันคอยรู้ตามไปจนกว่าจะรู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่านควรหยุดได้แล้วและเมื่อมันไม่ยอมหยุดจึงจะแก้ด้วยการใช้ภาวนาพุโทโธเหตุการ์ตัวอย่างนี้มันเป็นโมหะ หลงแล้วก็โลกบวกกับที่หลวงปู่มั่นท่านชี้ว่าติดดีนี้ก็แรงคือหลงเอาบุญมากๆแต่ก็คิดว่ามันเป็นสัมมากรรมมันตะเพราะเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องและควรทำเป็นทางสายกลางมันจะเป็นอย่างไหนก็ได้สุขหรืทุกหรือเฉยๆอยู่ที่ว่าเรามองในแง่มุมใดของสิ่งนี้ ตัวอย่างการเลือกเฟ้นหรือในขณะจิตใดก็เกิดดับใช่หรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันเล่ามาไม่เข้าใจไปปฏิบัติเอาเองก็ล้องกันและเพื่อเป้าหมายที่ดีที่สุดแห่งธรรมเราควรเป็นการปล่อยวางเป็นศัก์แต่ว่ารู้เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้อยู่อย่างว่างๆโล ง, ล ง, ลง شر, ๆเฉยๆไม่สะเทือนกับสุขทุกข์ ปล่อยให้สติปัญญาเป็นไปตามอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรอีกนอกจากกิจวัตรที่สมงวรจะให้เป็นไปตามกิริยาอาการของาธาตุหันาธาตุขันที่คิดอย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะก็มีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําไปแต่อย่าทําด้วยความอยากทําด้วยความทุกข์ทำด้วยเหตุด้วยผลทําไปตามมีตามเกิด คำถามจากผู้ฝากถามหนูให้ป้าคนหนึ่งเช่าหน้าบ้านขายของโดยไม่คิดเงินเพราะแกพิการและป่วยบ่อยและจ้างแกทํางานเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มีเงินและก็แบ่งข้าวให้กินแต่ป้าขโมยอาหารและเงินของหนูมีพยานและกลงวงจรปิดที่เห็นว่าป้าแกทําอยู่ประจํามีคนแนะนําไหว้หนูบอกป้าว่าหนูรู้เผื่อป้าจะสํานึกและหยุดทำํำ ใจหนึ่งหนูก็สงสารเพราะถ้าแกไม่ได้อยู่บ้านหนูก็จะไม่มีที่ไปและอาหารที่แกขโมยหนูก็ทําใจสลายได้แต่ในใจก็ไม่อยากให้แกทําอย่างนี้หนูควรจะทําอย่างไรดีคะก็เห็นเขาทําบาปก็ควรจะห้ามปรามไม่ควรปล่อยให้เขาทําเพราะมันเป็นโทษกับเขาเองควรจะบอกเขาว่าอย่าทําถ้าอยากจะได้ก็ขอแล้วจะให้ คำถามจากคุณอมรเมื่อตัวเมื่อตัวรู้เห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์กลัวไม่เที่ยงเราไม่สมควรไปยึดติดมันตัวจิตมันก็บอกว่าแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันเลยเศร้าหมองจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็หาที่อยู่ใหม่ให้มันตอนนี้ไม่มีที่อยู่ใหม่มันก็อะไรมันรู้จะไปไหนถ้ามีที่อยู่ใหม่มันก็จะไม่เศร้าหมองที่อยู่ใหม่ก็คือความสงบนี่แหละ ทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็จะมีที่อยู่ใหม่พอมีที่อยู่ใหม่ก็ไม่ต้องอาศัยขันห้าเป็นที่อยู่ต่อไปคําถามจากคุณจิมหากเรามีจิตเศร้าหมองคิดถึงคนที่รักที่จากเราไปจนกระทั่งเราตายเราจะตกไปอยู่ในอบายภูมิหรือไม่คะถ้าจิตเศร้าหมองมันก็ต้องไปอบายนะคําถามจากผู้ฝากถามการทําใจของเรา ให้ยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ใจไม่ทุกจากการที่อยากเอาชนะในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกแต่เรากลับตกเป็นฝ่ายที่ต้องยอมแพ้เพื่อความสงบสุขในสังคมที่เราอยู่แม้จะถูกมองเป็นคนโง่และขี้ขลาดแต่ก็ถือเป็นการทําที่ถูกหลักของธรรมใช่ไหมคะใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมาเนี่ย ถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะอ่าวันนี้ให้ทางบ้านถามได้แล้วเมื่วานนี้ไม่ได้ถามเลยครับคำถามคำถามแรกเป็นคำถามจากคุณโทนี่โรมีโอนะครับจากทางอ่ายูทูบนะครับอ่าบูตอัฟนูนอาจารย์ Can you explain how to do เมตา meditation collectively for me Metta is to have uh, well wishes toward all all beings, uh, human and animals. Wish them well, wish them good luck, good health, uh, and do good things for them if you can. If you see someone need help, you give them help. This is being metta, uh, or you'll be. If someone hurts you, you forgive them. This is also metta. Not get mad, not get angry at other people. This is what metta is about. Just to make other people happy, like buying present, buying things, buying gifts for other people. When you give things to people, people become happy. when they happy you also become happy and you will have no enemies you will only have friends คำถามข้อต่อไปจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณจักรพันธ์นะครับการที่เราต้องมาทำงานการกุศลออกแบบเช่นเจดีสาราการเปลี่ยน ห้องน้ําแสดงว่าในอดีตเราเคยบําเพ็ญมาใช่ไหมครับและการที่เราบําเพ็ญทานศีลแต่ภาวนาเรายังทําไม่มากอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อถึงเวลาการเวลามันจะเต็มเองใช่ไหมครับบารมีที่เราสังสมมาก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเคยทําร้อยละสิบแล้วเราไม่เพิ่มมันก็จะอยู่ที่ร้อยละสนะิบถ้าอยากจะให้มันเพิ่มก็ต้องขยับขึ้นไป จากร้อย ล, ล้สิบเราก็ขยับขึ้นไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบไปตามลำดับมันถึงจะเพิ่มขึ้นได้มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นของมันเองมันต้องขึ้นด้วยการที่เราเพิ่มปริมาณของการกระทาของเราให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปมันถึงจะเต็มได้คาถามจากคุณโมนีนะครับตอนนี้พอถึงวันอาทิตย์แล้วรู้สึกหดหู่เบือ่อท้อ กับการที่จะต้องไปเริ่มต้นการทำงานในวันจันทร์เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องเจอกับคนที่เห็นแก่ตัวแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำงานค่ะเพราะมีภาระหนี้สินเยอะแต่พอถึงวันหยุดหรือมีเวลาว่างหนูจะอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศสวดมนต์ทำบุญเสมอๆรู้สึกมีความสุขสงบไม่วุ่นวายกับผู้คนมากมายเหมือนตอนไปทางานค่ะ ขอพระอาจารย์ชี้นแนวทางด้วยก็ขอให้เราคิดว่าเราไปทำงานเพื่อมาชดใช้นี่ที่เราสร้างไว้แล้วพยายามลดการสร้างนี่ให้น้อยลงลดการใช้จ่ายให้น้อยลงต่อไปเราก็จะได้ไม่มีหนี้สินแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานก็ได้เราจะได้มีเวลาอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นแต่อตอนนี้เมื่อเรายังมีภาระอยู่เราก็ต้อง ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้มันรุ่ร่วงไปเพราะเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราเป็นผู้สร้างหนี้ขึ้นมาเราก็ต้องใช้หนี้ไปเมื่อเราใช้หมดหนี้แล้วเราก็อย่าไปสร้างหนี้ใหม่แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทํางานมากเพราะว่าเราจะไม่ต้องมีหนี้สินที่จะต้องใช้จ่ายการที่เรามีหนี้สินก็เพราะว่าเราใช้จ่ายมาก เราใช้เกินกําลังใช้ตามความอยากเราควรจะใช้เงินทองตามความจำเป็นคือหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอถ้ามีพอแล้วเราก็เอาเวลาว่างนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าการหาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อขาวของต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องเป็นนี่เป็นสิน แล้วก็ต้องไปทุกข์กับการทำงานเพื่อที่จะหาเงินทองมาใช้นี่สินคำถามเจคุณศิริวัล น, นะครับไปปีกวิเวกมาห้าวันปิดวาจาแล้วระหว่างนั้นมีอารมณ์หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองกลับมาก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเก็บตัวทำงานก็ทำไปตามหน้าที่มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ ถูกแล้วแหะถ้าใจสงบก็ถูกแต่ถ้าจําเป็นจะต้องพูดก็ต้องพูดบ้างเพราะเวลาทํางานทําการก็ต้องออมีการคุยกันเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากคุยก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพเมื่อเรากลับมาอยู่ในสภาพที่ต้องคุยก็คุยแต่คุยให้น้อยที่สุดคุยเท่าที่จําเป็นแล้วพอไม่ต้องคุยเราก็กลับมาจดจ่ออยู่การทํางานของเรา หือถ้าไม่มีงานทําก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบไปคําถามจากคุณเอกคุณนะครับเมื่อปฏิบัติอาณาปานสติจนมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วจ ะ, จะเจริญวิปัสนาทําอย่างไรครับคือการมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นในการนั่งสมาธิก็คือควรจะนั่งไปนานๆรักษาตัวผู้รู้นี้ให้อยู่ไปนานๆก่อน แล้วก็พยายามทำให้ชำนาญพยายามเข้าบ่อยๆเข้าหาตัวผู้รู้หาตัวอุเบขานี้ให้บ่อยๆก่อนแล้วเวลาออกมาจากความสงบออกมาจากสมาธิถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาได้เช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรส มีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้ร่างกายของเราหรือของใครก็เหมือนกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดานี่คือการเจริญปัญญาที่เราสามารถเจริญได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ต่าง จะดับความทุกข์ได้ก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก่อนเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ปัญญาที่เราได้จากการทําการบ้านว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้พอเราใช้ปัญญานี้มาใช้กับความเจ็บป่วยของร่างกายใจที่ทุกข์ก็จะหายทุกข์เพราะที่ทุกข์ก็เพราะไม่ยอมไม่ยอมเจ็บอยากจะให้หายมันมึนทุกข์ แต่พอมีปัญญาบอกว่ามันต้องเจ็บมันหายไม่ได้พอยอมรับความจริงว่ามันทุกข์มันยังหายไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็จะหายทุกข์เพราะไม่มีความอยากให้มันหายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงปัญญาที่ดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้ายังไม่มีความทุกข์ใจก็ทําการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมเตรียมทำข้อสอบ เดี๋ยวจะต้องเจอข้อสอบอย่างแน่นอนเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้มันจะต้องมีปรากฏขึ้นมาสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ทําการบ้านไว้เลยพอถึงเวลาเราก็จะทําไม่ได้ทําข้อสอบไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ยอมรับกับความจริงอันนี้ให้ได้เสียก่อนพอถึงเวลาเกิดความจริงขึ้นมาเกิดข้อสอบขึ้นมาเราก็จะได้สอบผ่าน คำถามจากคุณทศวรรนะครับอริยสัจสี่กับขันห้าสัมพันธ์กันอย่างไรครับอริยสัจสี่นี้คือเรื่องของความอยากกับความทุกข์ความอยากเกิดจากความทุกข์เกิดจากความอยากของใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจส่วนขันห้านี่มันเป็นเรื่องที่ใจไปอยากได้แล้วก็พอได้มาแล้วก็ยึดติดอยากจะให้ เป็นของเราเป็นนานๆแต่มันไม่ได้เป็นของเราเป็นานๆนร่างกายนี้พอได้มาแล้วก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงต้องมาจเจริญมรรคเพื่อที่จะให้เห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ พอหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้คําถามจากคุณกิติศักดิ์การตัดสักยะทิฐิต้องทําอย่างไรครับก็เนี่ยต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนะตาร่างกายเกิดแล้วก็ต้องดับต้องตายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ําลมไฟถ้าเราเห็นมันเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราก็จะ ปล่อยวางได้ไม่ไปทุกข์กับมันเหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราจันไดร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ต้องบัหยาบไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ําหล่มไฟเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับกลืนสู่ดินน้ําหล่มไฟอันนี้คือปัญญาที่จะต้องหมั่นสอนใจ จนกว่าใจจะเห็นตามที่ตามความเป็นจริงพอเห็นไปว่าว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะละสักายทิฐิได้คาถามจะคุณโป้ยเซียนขอกราบเรียนถามเรื่องอบยมุก เรื่องการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เล่นการพนันเป็นกิเลสใช่ไหมคะแล้วผิดศีลห้าข้อไหนคะมีบางคนบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ผิดศีลเพราะเป็นการช่วยรัฐบาลคือศีลห้านี่มีแค่การไม่ฆ่าการฆ่าสัตว์การไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มโซรายาเมาอันนี้เป็นข้อห้ามในในศีลห้า ถ้าทําแล้วถือว่าบาปแตความจริงศินข้อที่ห้านี้คือการดื่มสุรานี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ไปทําบาปแต่เป็นตัวที่จะทําให้การทําบากง่ายขึ้นท่านก็เลยห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะเวลาดื่มสุราจะไม่มีสติประครับประคองใจเวลาคิดจะทําบาปก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งก็เลยให้ ให้แม่ให้ดื่มโซดาเพื่อที่จะได้ทําให้การทําบาปนี้ยากขึ้นอบายามุกนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการกระทําบาปขึ้นมาต่อไปเช่นเล่นการพ น, นันถ้าเล่นไปก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินก็จะใช้การเล่นการพนันเป็นการเลี้ยงชีพและพอเงินหมดก็จะต้องไปรักทรัพย์มาเล่นต่อก็ไปทําบาปอย่างนี้เป็นต้น ท่านยังสอนว่าอย่าไปเล่นการพ น, นันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เหมาะจะควรจะไปทำอาชีพที่ที่เป็นสมามอาชีพเช่นทํางานรับเงินเดือนทํางานในโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารอะไรเป็นต้นเหล่านี้เป็นการหาเงินที่ถูกสมามอาชีพการเล่นการพนันนี้เข้ามาถึงว่าเล่นแบบมืออาชีพถ้าเล่นกันพอหอมปากหอมคอ น า, นานหนึ่งเล่นกันสนุกสนานระหว่างเพื่อนฝูงอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นอาบายามุกเป็นกีฬาการซื้อลอตเตอรี่ถ้าไม่ซื้อซื้อเป็นอาชีพก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นอาบายามุกเช่นซื้อเสี่ยงโชคเพื่อมีโชคมีวาสนามีบุญแล้วถูกลอตเตอรี่อย่างนี้ก็ซื้อไปแต่ไม่ได้ถือเป็นอาชีพเรามีอาชีพหลักคือเราไปทํางานทําการ แต่เราก็ยังมีกิเลสอยู่เล็กๆน้อย ๆ, ๆอยากจะได้ทรัพย์บ้างเผื่อเรามีโชคเขามีโอกาสให้เราเสี่ยงโชคได้เราก็ไปเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอบายมุขหรือเป็นการกระทำบาปแต่อย่างใดขอถามเสริมครับอาจารย์ในทางกับการถ้าขายลอตเตอรี่เช่นผู้พิการอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถือเป็นวิชาอาชีพไหมครับไม่ก็ขายขายขายโชคให้ผู้อื่นไงไม่ได้ขายอะไร ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคำถามข้อต่อไปจากคุณก้อยนะครับทำอย่างไรให้ได้บุญมากในขณะที่เราฐานะปานกลางและจำเป็นต้องทำทุกวันหรือเปล่าคะอย่างได้บุญมากนะใช่ไใช่ครับฐ า, านะปานกลางครับบุญมันมีหลายระดับาการทำทานนี้ก็เป็นระดับต้น ถ้าไม่มีเงินทำทานก็ยังมีบุญที่ระดับสูงกว่าที่เราทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเช่นการรักษาศีลนี่ก็จะได้อา น, นิสงส์ได้บุญมากกว่าการทำทานคือถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำทานแต่ไม่รักษาศีลนี้ตายไปก็ยังต้องไปอบายอยู่กว่าจะรับประโยชน์ของทานที่ทำได้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน ถึงจะมีเงินทองที่เราทำทานนี้รอเราอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญก็ไม่เป็นไรรักษาศีลไปจะดีกว่าตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปรับโทษถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่รวยกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรดีกว่าไปเกิดเป็นเลสฉานคำถามจากคุณฐานนิดนะครับการที่มีผู้มาทักว่าผมเป็นพระโสดาบัน ถามว่าผู้ทักรู้ได้อย่างไรและผิดหลักปฏิบัติไหมครับก็เราเป็นหรือเปบบล่าะใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นก็มาทักเนาะเราไปเชื่อเขาแล้วก็บ้าตามเขานั่นเองดังนั้นใครก็จะทักอะไรก็ปล่อยก็ทักไปมันเรื่องของเขาคนจะพูดอะไรนี้เขามีหลายเหตุหลายผลบางทีเขาจะหลอกเอาเงินเราเขาก็มายกมายอเราพอเราดีใจชอบใจ ก็ขอยืมเงินเลยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาแต่คนฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณที่พระเจ้าสอนในการละมสูรว่าเวลาใครเ็าพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อทันทีทันใดให้ฟังหูไว้หูก่อนแล้วอานาไปพินิษพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดนี่ถูกหรือไม่ถูกเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ คำถามจะคุณดะนุชานะครับการที่เราเอโหสิกรรมผู้ที่ล่วงเกินเราทั้งกายวาจาใจหลายๆครั้งโดยที่ผู้ที่ล่วงเกินยังคงทําให้เรามีความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องและไม่เคยรู้สึกผิดถ้าเราโหสิกรรมแล้วยุง่งแล้วเลิกยุ่งเกี่ยวจะถือว่าเราไม่มีเมตตาและบาปหรือไม่คือไม่ไม่ครบรสสมาคมกับเขาก็ไม่ถือว่าบาปแต่อย่างใด พอเมื่อเราครบค้าสมาคมแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็แล้วกันก็ไม่บาปไม่ไม่ได้ขาดความเมตตาเรียกว่ามีปัญญ า, ารู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นทุกข์ก็อย่าไปเข้าไปหาทุกข์ถอยออกมาคำถามจากคุณสาริวันนะครับ เวลาเรากวดน้ําใช้น้ํากับไม่ใช้น้ําต่างกันตรงไหนคะปูย่ย่าตายายจะได้รับไหมคะออไม่ต่างกันละน้ําหรือไม่น้ําเพราะว่าที่เรากวดไม่ใช่น้ําที่เรากวดก็คือบุญบุญที่เราทําคือความรู้สึกที่เราได้จากการทําบุญเวลาทําบุญเราจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจ นี่คือสิ่งที่เราจะอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วครับอาจารย์นี่ภาคเดียวก็ได้ไพักรอคำถามก่อนเผื่อใครฟังแล้วอยากจะถามต่อก็ถามได้พึ่งถามไปหลายวันแล้วค่ะเหลือแค่คำถามสองคำถามเอง คำถามแรกนะคะสมมติว่าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างนะคะแต่ว่าทําประจําทุกคืนแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้ได้โซดาบันถือว่าเป็นความอยากหรือว่าเป็นเหตุเป็นความปรารถนาเกินวิสัยหรือเปล่าถ้าถ้าอธิษฐานจิตทุกขั้งคืนเป็นการกระทําที่ไล่สาระไล่เหตุไล่ผล การอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นการขอการอธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนานี้แปลว่าการตั้งใจที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมาดะนั้นถ้าอยากจะได้โสดาบันก็อธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างเหตุที่จะทำให้เป็นโสดาบันขึ้นมาเช่นอยากจะเรียนมหาวิทยาลายัยได้เป็นญาตรีก็ต้องไปเรียนสี่ปี ไม่ใช่อธิษฐานขอให้จบปริญญาตรีแล้วก็นอนเข้านอนไปไม่ไปเรียนยนี้ขออธิษฐานไปจะวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้ปริญญาตรีเห็นขอให้เราเข้าใจคำ ว, ว่าอธิษฐานใหม่คำว่าอธิษฐานที่ถูกต้องก็คือการตั้งใจตั้งเป้าว่าเราต้องการจะทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการต้องการอะไรเราก็ต้อง ทำเหตุที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นมาเรียกว่าอธิษฐานครับข้อสองนะคะสำหรับผู้เจ็บไข้การปฏิบัติที่สําคัญที่ที่พระอาจารย์เน้นย้ํานี่คือคื อ, คอการฝึกเรื่องสติสมาธิปัญญาแล้วก็การฝึกทิ้งร่างกายใช่ไหมคะก็ทําทั้งสองอย่างคือทางร่างกายเราก็ดูแลไปหาอยูุด้ายา หาหมอหาอะไรไปทำตา ม, ตามเรื่องของทางร่างกายไปส่วนทางร่างทางจิตใจเราก็ต้องสอนให้ปล่อยวางเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะเป็นหรือจะตายเราต้องสอนใจให้รับได้ทั้งสองทางหายก็ได้ไม่หายก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้อันนี้เรื่องทางใจมันปฏิบัติสองสองทางด้วยกันทางร่างกายเราก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปทําตาม ที่เขาแนะนําส่วนทางใจเราก็ทําใจว่าเป็นก็ได้ตายก็ได้หายก็ได้ไม่หายก็ได้ถ้าไปทางถ้าไปรักษาทางร่างกายแล้วรู้สึกมันสร้างให้ทําให้ใจวุ่นวายก็อาจจะไม่ไปรักษาก็ได้ปล่อยให้มันรักษาไปตามธรรมชาติของมันมันจะหายก็ได้เป็นไม่หายก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้ะ อันนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันแนละ้วแต่ผู้ที่จะรักษาจะเลือกเอาครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ไม่ไปโรงพยาบาลเจ็บไายได้ป่วยท่านก็รักษาไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมีอะไรก็กินกันไปหายก็หายไม่หายก็ตายหรือจะไปโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ให้เขาฉีดให้เขาผ่าให้เขาตัดให้เขาเอาสายยงสายยางเข้ามา เอาเครื่องปัม๊มอาเครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆเข้าม า, าก็อันนี้เลือกได้จะรักษาแบบไหนจะรักษาแบบธรรมชาติบำบัดก็ได้จะรักษาแบบวิชาทางโลกวิชาสมัยใหม่เขารักษาก็ได้อันนี้ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจว่าทุกข์กับมันหรือไม่ใจก็ต้องไม่ทุกข์กับการรักษารักษาแล้วก็ ใจก็เฉยเป็นอุเบกขาอันนั้นคือเรื่องของใจการนมัสการพระอาจารย์นะครับอพอดีผมมีคำถามจากเพื่อนนะครับฝากถามว่ า, าเราจะมีวิธีวัดความก้าวหน้าของการทำสมาธิอย่างง่ายๆได้อย่างไรบ้างครับเวลานั่งสมาธิสงบเร็วแล้วสงบช้าสงบนานหรืมสงบไม่นานเนี่ยถ้าสงบเร็วแล้วสงบได้นานก็ถือว่าก้าวหน้า ส ง, งบยากกว่าจะส ง, งบได้แล้วสงบปบั๊บแล้วนั่งแล้วก็ไม่ส ง, งบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าอย่างไม่ก้าวหน้าอีกข้อหนึ่งครับคื อ, อการพิจารณาความตายครับกับการพิจารณาอาสุภะเนี่ยผมเองรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ มันมีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายความพิจารณาความตายเพื่อให้เรายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องตายเพื่อที่เราจะได้ไม่กลัวตายเพราะร่างกายยังไงก็ต้องตายที่เรากลัวตายเพราะเราคิดว่าเราจะไม่ตายกันเราอยากจะอยู่กันแต่ความอยากจะอยู่นี้ทำให้เรากลัวถ้าเราพิจารณาว่าต้องตายเราก็จะได้หยุดความอยากอยากจะอยู่ได้เพราะมันต้องตาย อันนี้ก็เป็นการแก้กลัวความตายส่วนพิจารณาอสุภะเพื่อให้มันเห็นความสกรปรกความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อกำจัดการมารมการมาราคะการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เพราะเห็นร่างกายเขาเหล่อเล้าสวยงามก็เลยเกิดความรักเกิดความคล่เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาแต่ถ้าไปเห็นตอนที่เขาไม่น่ารักไม่น่าดูมันก็จะทาให ไม่มีการมาลมยันเราต้องดูตอนที่เขาไม่สวยไม่งามบ้างเช่น ต, ตอนที่ตื่นขึ้นมายังไม่ได้หวีผ้าหวีผมไม่ได้ล้างหน้าล้างตาหรือตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เขาตายเวลาที่เขาแก่ถ้าเห็นร่างกายในสภาพนั้นมันก็จะทาให้ไม่มีการมารมได้หรือดูเข้าไปในภายในของร่างกายดูอวัยวะต่าง ดูโครงกระดูกเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายนี้ดูตับไตไส้พุงลำไส้อะไรต่างๆถ้าเห็นแล้วมันก็จะทำให้ความที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขานี่มันดับไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาหรือว่าวิเวลาจิตไม่มีการอารมณ์ที่เราอยู่แล้วเหงาเพราะเรามีการอารมณ์นั่นเอง การารมณ์นี้ทำให้เรารู้สึกวะเหงาวาเวนอนคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนอนด้วยแต่ถ้าเรามองเห็นเพื่อนนอนว่าเป็นศพดีๆนี่เองเราก็จะไม่อยากจะนอนกับเขาถ้าเขาเกิดไม่หายใจไปเรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่วะป่านั่นะเลย อ, อสุภะนะอาจารย์ไ ม, มีสองมีสองเป้าหมายสองดับความกลัวตาย หนึ่งดับความกลัวตายสองดับการอารมณ์เราเราควรพิจารณาตอนนั่งสมาธิหรือว่าพิจารณาได้ตลอดไหมครับออตลอดเวลายกเวน้นเวลานั่งสมาธิเวลาสมาธิต้องการหยุดต้องการพักจิตต้องการให้จิตมีความสงบมีความสุขเพื่อจะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ถ้าจิตไม่มีความสุขก็จะปล่อยวางร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นไม่ได้ ว่าเรายัางต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่แต่พอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าเราก็จะปล่อยร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นได้ถ้าเราพิจารณาเรารู้สึกสงบดีเราไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความสงบมากน้อยขนาดไหนความสงบนี้ที่สงบอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีอยู่ กาสรสงบของสมาธินี่ถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากได้อะไรขอบคุณครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะก็ใกล้จะเวลาจะหมดแนละ้วคำถามจากจากคุณสาสิพินนะครับตอนสวดมนต้องนึกถึงอะไรครัก็นึกถึงบทสวดมนต์เลย คำสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เนี่ยให้อยู่กับคำสวดมนต์อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณก้อยนะครับขอถามต่อจากที่พระอาจารย์เคยเทศสอนว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ในชาตินี้จึงให้เราทำทานมากๆเพื่อที่ชาติหน้าเราจะได้เกิดมารวย และมีเวลาปฏิบัติธรรมได้ขอเมตตาพระอาจารย์ขยายความการทำทานมากๆต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ทำให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทำให้หมดอย่าไปซื้อขนมซื้อของเล่นของอย่าไปเที่ยวอะไรเอาเงินที่จะไปเที่ยวที่จะหาความสุขในชาตินี้ไปเก็บไว้สาหรับความสุขในชาติหน้าดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ มีเท่าไรก็ทำบุญไปเหมือนกัรเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารแทนที่จะเอาไปเที่ยวเที่ยวแล้วมันก็หมดหมดแล้วก็ไม่มีจะใช้ต่อไปคำถามจากคุณบีนะครับแม่ชีหรือผู้ที่รักษาศีลแปดหากปัิหากบรรลุอรหัตผลแล้ววันรุ่งขึ้นจะมีเหตุให้ต้องตายหรือไม่ก็ต้องไปบวชเป็นพระพิสุสงฆ์หรือพิสุนีจริงหรือไม่คะ อ๋ไม่จริงหรอกไม่เกี่ยวกันเรื่องของร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าบรรลุวันนี้แล้วต้องตายพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้บวชมันมันไม่เกี่ยวกันร่างกายจะตายมันตายได้ทุกเวลาถึงเวลามันจะตายมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุส่วนเรื่องการบรรลุนี่มันก็ไม่ได้ไปทําให้ร่างกายตายไปถ้าไม่ได้บวชไม่เกี่ยวกันคําถามจากคุณสองเรานะครับการรับประทาน ของขบเคี้ยวของผู้ปฏิบัติธรรมก่อนสว่างทำไมแต่ละวัดกำหนดไม่เหมือนกันบางวัดให้ทานตั้งแต่ตีห้าบางวัดกำหนดให้สว่างจนเห็นลายมือก่อนที่ถูกคือแบบไหนเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราจะว่าวันใหม่เป็นเวลาใดสมัยนี้ถ้าถือเวลาตามสากลก็หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วก็ สองยาปุ๊บก็มามา่ามาได้แล้ว <laughs> ถ, ถือตามตามเวลาสากลใช่ไหมวันใหม่เวลาส่งท้ายปีเกา่าต้อนนับปีใหม่เราไปนับเข้าดาวกันตอนไหน <c oughs> ก็ตอนเที่ยงคืนใช่ไหมพอหลังจากเที่ยงคืนก็แสดงว่าเป็นวันใหม่แล้วเป็นปีใหม่แล้วก็กินได้แล้วแต่ถ้าแบบโบราณเขาไม่มีนาฬิกาเขาก็ใช้แสงสว่าง ดูให้เห็นสว่างก่อนให้เห็นใบไม้อย่างชัดเจนก่อนก็ถือเรียกถึงจะเรียกว่าเป็นวันใหม่ทีนี้สมัยนี้กิเลสของคนก็อยากจะกินเร็วขึ้นก็เลยปรับเวลากันบางวัดก็เลยเอาตีห้านะตีห้าก็ถือว่าวันใหม่นะก็ว่ากันไปอันนี้ถ้าตามหลักเดิมก็ดูแสงตะวันดูแสงสว่างของดวงอาทิตย์อีกก็สองสามคำถามพอนะครับพระอาจารย์จะได้พักเร็วขึ้นนะครับ จะคุณวันนิพานะครับขอคําชี้แนะนําการรับราชการเป็นผู้พิพากษาค่ะก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมคือไม่มีอคติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่รับศินบนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมแล้วก็ว่ากันไปตามความเป็นจริง ผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกว่าไปตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หน้ศีลธรรมกําหนดเอาไว้กํารนั้นมาสกา ร, ราาอาจารย์เขาตารับถ้าเรามีหน้าที่ดูแลองคอ์กรนะครับแล้วมีพนักงานของเราทุจริตเรื่องการเงินนะครับเรามีหน้าที่ต้องไปแจ้งความกับพนักงานคนนั้นนะครับอย่างเช่นข้อหา ย, ยักยอกท ร, รัพย์เราจะบาปไหมครับแล้วก็ผลนี้จะติดบุคลาภิชาติหน้าอย่างไรไหครับ ออผู้แจ้งความไม่บาปแ ล, แล้วเราทำตามหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรที่เราทำอยู่คนที่บาปก็คือคนยากยอกครับแต่เรื่องของเวรกรรมนี้เขาอาจจะไม่ชอบหน้าเราเกลียดเราเขาก็อาจจะคิดทำร้ายเราได้อันนี้ก็ต้องเป็นวิบากของเราไปคำถามจากทาง youtube นะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหากเรามีเวลาว่างจากัด ที่ผ่านมาได้เริ่มออกกำลังกายเรื่องเนื่องจากคอเลสเตอรอลสูงความดันต่าหมอจึงแนะนำมาแต่หนูยังไม่ได้เป็นโรคอะไรคะ่ะไม่ทราบว่าควรเอาเวลาทั้งหมดมานั่งสมาธิหรือไปออกกำลังกายได้ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการออกกำลังกายเราก็ไปออกกำลังกายถ้าเราต้องการความสงบเราก็มานั่งสมาธิ ถ้าถามว่าไหนดีกว่ากันก็ความสงบมันดีกว่าเพราะร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะดูแลรักษามันอย่างไรไม่ช้าก็เด็วมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิเราก็จะมีความสุขถึงแม้ร่างกายจะทุกข์ก็จะไม่มาสะเทือนใจเรา แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรามีร่างกายที่แข็งแรงแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายไม่แข็งแรงใจก็จะทุกข์ไปกับร่างกายด้วยร่างกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรามาทำสมาธิใจเราสุขต่อไปร่างกายทุกข์ใจไม่ทุกข์กับร่างกายยังก็ต้องเลือกเอาว่าเราต้องการอันไหนอันไหนสำคัญกว่าสำหรับเรา ถ้าถามเราเราก็บอกว่าทำสมาธิดีกว่าก็ออกกำลังกายก็ทำได้มันไม่ได้มันไม่ขัดกันเพราะการออกกำลังกายนี่ก็เป็นการทำสมาธิแบบหยาบได้จนขณะที่เราทำสมาธิออกกำลังกายแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการเจริญสติไว้ก่อนพอเราหยุดจากการออกกาลังกายเราก็มานั่งสมาธิ เราก็มีพุทธโธ ท, ที่จะดึงให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นความจริงทำทั้งสองอย่างร่วมกันได้ไม่ขาดกันเลยคาถามสุดท้ายประจําวันนี้นะครับจากคุณสรอละอักนะครับถ้าการปล่อยวางครอบครัวและลูกๆโดยต้องคิดว่าแต่ละคนมีกรามเป็นของของตนไม่ต้องไปห่วงกังวลอนาคตของเขาโดยเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรม ตามลำพังแบบนี้ถูกต้องไหมายขอให้พระอาจารย์แนะนําครับถ้ามองเพื่อการหลุดพ้นมันก็ถูกต้องแต่ถ้ามองในสายตาทางโลกมันก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนไร้น้ําใจก็ได้อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราจะต้องตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรต้องการให้คนทางโลกเขาไม่ตําหนิเราหรือเราต้องการหลุดพ้นถ้าเราต้องการหลุดพ้นเราก็ต้องยอมให้ทางโ ล, โลกเขาตําหนิเราไปะ